สวดมนต์ทุกครั้งอย่าลืมแผ่เมตตาสวดบทพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณสวดพาหุงและเจริญเมตตาพรหมวิหารอะหังสุขิโตโหมิแผ่เมตตาให้ตัวเองก่อนให้แต่คนอื่นใช้ได้ที่ไหนต้องให้ตัวเองก่อนการแผ่เมตตาขาดไม่ได้แผ่เมตตาที่มีอนิสง์ มนุษย์สานังปิโยโหติเทวารักขันติเป็นที่รักของมนุษย์เทวดาย่อมรักษาศาสตรอาวุธยาพิษไม่ถูกต้องผู้เจริญเมตตาผู้เจริญเมตตาปฏิบัติสมาธิจิตสงบง่ายรู้ธรรมเห็นธรรมนี่อย่าลืมสวดอะไรก็สวดไปแต่อย่าลืมแผ่เมตตาอะหังสุขิโตโหโมิขอเราจงมีความสุขนิทุโขโหโมิ จงอย่ามีความทุกข์กายทุกใจแล้วก็สวดต่อไปจนจบบทการสวดมนนีสวดพุทธคุณธรรมคุณสังคคุณแล้วแผ่เมตตาแน่นอนที่สุด